ระหว่างทำทานด้วยเงินกับทำทานด้วยกำลังแรงและทำทานด้วยปัญญาถ้าทำกับบุคคลหรือชุมชนเดียวกันอย่างไหนได้บุญมากกว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ทำด้วยอะไรแต่อยู่ที่อะไรกระตุ้นให้ต้องใช้กําลังใจมากกว่าทำแล้วเห็นผลน่าชื่นใจมากกว่าทำแล้วจดจําขึ้นใจเนิ่นนานกว่า บางครั้งลงเงินแล้วเห็นชีวิตคนเปลี่ยนแปลงหนึ่งคนด้วยกําลังใจอยากมีความผูกพันเฉพาะตัวก็ได้ผลหน้าชื่นใจเป็นสายใหญ่เฉพาะคนบางครั้งลงเงินและเห็นชีวิตคนเปลี่ยนแปลงทั้งหมู่บ้านด้วยกาลังใจอยากยังประโยชน์ให้แผ่ไปไม่เลือกหน้าก็ได้ผลหน้าชื่นใจเป็นบริวารดีไม่เลือกหน้า บางครั้งออกแรงขัดห้องน้ำวัดด้วยกำลังใจอยากชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ผลน่าชื่นใจเป็นความผ่องแผ้วไร้มนทินทางจิตและทางกายบางครั้งร่วมแรงกายช่วยกันสร้างสาธารณูปโภคให้ชุมชนด้วยกำลังใจอยากทำให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขมากกว่าเดิมก็ได้ผลน่าชื่นใจเป็นความร่างพร้อมด้วยภกรัพย์ภสาร บางครั้งใช้ปัญญาทางโลกช่วยแก้ปัญหาช่วยให้ความรู้ด้วยกําลังใจอยากช่วยแก้ความไม่รู้ไม่เข้าใจให้คนอื่นก็ได้ผลน่าชื่นใจเป็นสติปัญญาเฉียบแหลมลึกซึง้งบางครั้งใช้ปัญญาทางธรรมช่วยให้คนมีชีวิตอันประเสริฐด้วยกําลังใจอยากสร้างความประเสริฐที่แท้จริงไว้ในโลกก็ได้ผลน่าชื่นใจ เป็นพลังปัญญาและพลังชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดเหตุการณ์ในชีวิตหนึ่งๆจะถูกลืมไปทั้งหมดจะเคยได้หน้าได้ตาแค่ไหนจะเคยได้รับการยกย่องเพียงใดธรรมชาติจะลบออกจากความทรงจำของทุกคนไปจนเกลี้ยงแต่ที่จะติดตามไปให้ผลทั้งเดียวนี้ที่รู้แก่ใจชัดตลอดจนอนาคตที่มองไม่เห็นข้างหน้า คือความสุขสว่างความชื่นใจความผลิดดอกออกผลอันเกิดจากการลงทรัพย์ลงแรงลงปัญญาด้วยกำลังใจใหญ่น้อยทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมานั่นเอง